إلا رجال نوح إليهم. ฟ้าสลูอัลลอฮฺดิค์รีอิงคุณทุ่มละตَ่ละมุนว่ามาจั่งนาَุมจัสร์ดَ ا ลาะยักุลุนอตุอาหَวْามาจั่งนَหَมจัส ว َمَا ك َน ن ُ و ا خَالِدِينَ ث ُ م คّ ص َ د َนว่าเดฟเอนเจินนะฮุมซุ่มมาสดาคนาหุ่นวดฟนม أن ج ْ ن ا ه م ومن نشاء وله لقنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتاب. لقد أنزلنا إليكم كتاب. إذا ب َ ع ف ِ ي ذِكْرُكُمْ أَفَلَا ت َ ع ْ ط ِ ل ُ و ن َ أَفَلَا ت ْ ط و ََ ك م ْ ق َ ص م ن َ م ِ ي ق َ ي َ ت ن َ وَكَمْ ق َ ص ْ ن َ م ِ ق َْ ي َ ت ََ ن َ ปารียติงกาณฑูรีมะ و أ ن ش ا ا ي ن وأنشأنا بعدها قوما ر ي ن بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفر و َ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ميهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله و ه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإلاكن ش ر อ ع و ذ بكلمات الله ا ل ت الل م ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول الله ما إني أعوذ بك من الكسل วสุอิลคิบริรับอ้างอุทุกค์ a m กในอาดับในนารีและอาดับในลับรี a ัลลอฮุมะอาฟินะในบัตันีอัลลอฮุมะอาฟินีในบัตันีและอาฟินีในสัมัยและอาฟินีในบัซซารีอะลัยซัลลัมอาลัยคุมะอัลฮัมมัตุลลอฮฺุบารักัตุพี่น้องที่ร หรืออีกอย่างนึงเรียกว่าฟระญาตที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพรว่าอย่างนี้อัลลอฮุมาลกัลฮัมดุวะละกัลชุกอัลลอฮุมาลกัลฮัมดุวะละกัลชุกแปลว่าอ้อลอ์การสรรเสริญทั้งหลายนี่เป็นของอัลล์และการขอบคุณทั้งหมดนั้นเป็นของอัลล์ นะคับอัลลอฮุมมะลักกลฮัมดุมะลักะชุกรขอบคุณ Allah นะที่เราที่ Allah ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมานะบบางคนก็ตื่นมานามาดติยามุลเลลหรือว่าตะฮัด จ, จุดนะครับก็ขอบคุณ Allah นะ ให้เราตื่นขึ้นมาฉะนน้นดษอาที่เราต้องอ่านก็คืออัลฮัมดุลิลละฮินละฮอัลฮยานาบาดามะอามะตนาไวลัยฮินูชูดการนึกถึงอัลลอ์เนี่ยให้ผ่านบทอธอาใครสอนบทดธอานเนี่ยไม่ใช่คิดเองผ่านจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮลฮิวะัลลัมขอบคุณอัลลอ์นะเราได้ ขึ้นซูร่าใหม่แล้วเรียกว่าซูร่าตุลอัมเบียนี่จะครบปีที่ยี่สิบและอีกอีกอีกหมดจะจบแล้วเนี่ยอีกสองสาวันขึ้นปียี่สิบเอ็ดแล้วได้ยี่สิบเอดซูร่าอัลฮัมดุลิลละปีละซูร่าเนี่ยอัลฮัมดุลิลละคนที่มาเรียนตัอศิษเนี่ยตายไปหลายคนแล้วนี่ก็รอคนคนสอนตายไง น, นะครับ ขอบคุณเลาล้อวันนี้เรามาถึงกุรานนะครับสุร้ออัลอัมบิยาอายะที่หกผมเนี่ยติดใจอายะสุดท้ายของสุร้์ต่อฮาติดใจมากเลยนะครับอายะสุดท้ายของสุร้์ต่อฮาเนี่ยไปอลองลองลองก้มดูตรงนี้ตึงน้งนะกุลกุลลุมมมตรรบบิซุแฟตารบบาสู fasataglamunamanاصحابالصراطالسوي و م ا ن ه ت د ตรงนี้ให้ความรู้อัลลอฮ์ให้ความรู้อย่างอย่างดีเลยนะครับต้องการจะอธิบายว่ามมฆะมัดเอ๋ยจงสอนจงบอกจงประกาศจงด้าวาจงตั้มล็กทุกคนเป็นผู้คอย คนกาเฟ่ก็คอยมุมินก็คอยทั้งว่าคอยเรื่องอะไรคนมุมินเนี่ยคอยตายไม่ฆ่าแต่ไม่ถูกไม่ถูกฆ่าตายที่สนามรบก็ได้มีโอกาสได้ดูแลโลกใบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับตายก็เข้าสวรรค์เลย ทาไม่ตายก็เหนื่อยต่อไปดูแลรับผิดชอบเป็นห่วงคนต่อไปนี่มุมินรอแบบนี้นะส่วนคนกาเฟสก็รอเหมือนกันรออายุซ ah um ีบะฮุมุลอาจารพรอการลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลทีนี้อัลลอ์ก็สั่งเอกมุฮัมมัดเอ้ยงบอกประกาศแล้วก็ฟาตารบบาซูทุกคนก็ต้องรอกันต่อไปทีนี้ข้างหน้าจะเป็นยังไงในอนาคต โลกใบนี้เป็นยังไงฟาสาตาอะเลมูนพวกท่านทั้งหลายในไม่ช้าเนี่ยจะรู้รู้ว่าไงมันอัศฮาบุซรอติสวีผู้ใดเป็นคนที่อยู่ในทางนำที่เที่ยงตรงและใครจะเป็นผู้อยู่ในทางคนทางที่แน่นอนกันแน่ อัลลอฮ์พูดสองครั้งนะซิรอตุสระวีทางที่ถูกต้องแนวทางที่เที่ยงตรงกับมานิตาดาอยู่หนทางในทางที่ถูกต้องพูดสองครั้งตรงนี้ต้องการจะอธิบายว่าอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปคนบุญโลกนี้จะเป็นคนจะเป็นมุสลิมคนจะเป็นมุมินมากกว่าคนกาเสรตอนนี้รับอิสลา ม, มเฉพาะ ผ่านผมเนี่ยสองอาทิตย์นี่คือมันเจ็ดแปดคนแล้วเนี่ยแล้วที่ผ่านดอกอาจารย์กาซานบินอะไรบันจงบินกาซานอีกเท่าไหร่แล้วจากคนอื่นคนอื่นอีกเท่าไหรเงียเยอะมากเลยอต่หัมจุลิลล่ะนั่นอยู่ไปอยู่ไปในโลกใบนี้เนี่ยจะมีคนผู้ศรัทธาต่อรอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น น, นะครับอ่ะหัมจุลิลล่ะพวกเราจะลาออกล่ะ บางคนเบื่อ伊斯兰เบื่อคือนจะลาแล้วบายบายแล้วยายายาอ่านกุนอ่านนะครับเยอะๆอินชาอัลลอฮ์อ้าขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้มาอายาที่เทไหร่นะอายาที่6กมาอามานัตกับเบลฮุมมินกอริยตินอัลลัคหน่าอาฟาฮุมยุมินูน มาอามานัติปบาลาหุ ม, มิกริยตินอาลักนาหะอาฟาหุมยุมินุนฮัมดุลิลลามาดูคำแปลนะมาอามานติแปลว่ามาแปลว่าไม่ไม่มีชาวเมืองใด นะครับกอริยะก่อนแปลแกแปลแปลกอริยาก่อนก็ยอแปลว่าชาวเมืองมาแปลว่าไม่อามานัตแปลว่าศรัทธากอบละหุมก่อนหน้าพวกเขามินกอริยตินแปลว่าจากเป็นชาวกอริยประวัติตำบลมาอมานัตกอบละหุมมินกอริยตินไม่มี ชาวเมืองใดก่อนหน้าเขาทั้งหลายนะครับ <c oughs> ซึ่งเราได้อหลักนาฮเราได้ทำลายมันได้ศรัทธาอัฟาหุมยุมินูนแล้วพวกเขาชาวมักกะมุชริกีนจะศรัทธาหรือไม่จะเชื่อหรือไม่อาญาณี้อ่านอ่านอย่างเดียวบางทีงงมึน อ้าเราว่าอะไรนี่อ่าอธิบายง่ายๆก่อแล้วกันนะคือเป็นอย่างนี้คนที่มาก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดคนที่มาก่อนหน้าพวกเราวันนี้มีกี่มีกี่นบีอย่างน้อยยี่สิบสี่นบีที่อัลลอฮ์ประกาศในกัมภีร์คุรานที่อัลลอฮ์ไม่ประกาศอีกเท่าไหร่แสนกว่าอีกแสนสองมืนท่านนะที่อัลลอฮ์ไม่ได้ประกาศชื่อประกาศชื่อ ไอที่ประกาศชื่ออยู่ใน พ, พัมภีร์กุรานเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ท่านตั้งแต่นบีอาดัมอิบรอฮีมนวลเรื่อยลงมาถึงนบีอิสลาฮิสลาบุคคลในสมัยนั้นนี่นะเวล า, ลาอัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้วก็ส่งมุอะิสซาดมาถ้าหากว่าใครไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อผลเป็นไงรู้ไหมอัลลอ์อัลลัคนาเราได้ทำลายพวกเขา อายกตัวอย่างยุกตัวอย่างที่เราเรียนตัเซียกันมาก็คืออัลลอฮ์ส่งนบีมูซาอะลัยฮิสาลา ม, มาแล้วก็ให้กับนบีมูซามามุอะจิสาชนิดหนึ่งก็คืออัลลอฮ์อแปลว่าไม้อะไรนะไม้ถืออัลอลอฮ์ไม้ถือคนนบีมูซาเนี่ยสารพัดเลยประโยชน์นี่เป็นมุอะจิสาแล้วก็คนที่ต่อต้านนะใครฟาโร ฟาโรต่อต้านอัลลอ์ยังไม่ลงโทษฟาโรนะจนกว่าอัลลอ์ะจะส่งรอห์ม์มาก่อนส่งนบีมามูซามาก่อนแล้วก็ส่งมุอะิษาตให้กับนบีมูซามีอยู่หลายรายการด้วยกันทั้งหมด9้ารายการเป็นมุอะิาตที่อัลลอฮ์ส่งให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสซาลาฉะนั้นถ้าหากใครไม่เชื่ออัลกคนะ์นาเราได้ทำลายคนที่ไม่เชื่อ ให้ตายทตนี้หลายคนพูดว่าถ้าตายเนี่มันก็จบนะสิใครว่าตายแล้วจบถามว่าตายแล้วจบไหมไม่จบตายแล้วถูกลงโทษในกูโบต่อได้ไม่ต่อต่ออีกหนักกว่าบนดุนยานี่อีกทีนี้อัลลอฮ์บอกกับนบีเล่าให้นบีฟังนบีเนี่ยมาสอนศาสนากับภลุ่มไหนนะอาับ มุชลีกีนอาตับทิศบูชาเจาเวิตทั้งหลายในนครมะ ก, กาวันนั้นน่ะมีอยู่เท่าไรนะสามรอยหกสบกว่ารูปอ่ะรอบกะบ้าเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยบอกให้เลิกซะเลิกซะให้น บ, บีบอกกับพี่น้องชาปูเรชเออเลิกให้หมดบูชารูปเจเว็ตเลิกให้หมดถ้าไม่เลิกนะระวังและพวกนี้ขอนะ่ะพวกอารับมุชลีกีนเนี่ยขอร้อง ให้เอาม้อจี z าตมาสิมาแสดงให้ฉันเห็นหน่อยคืออัลลอฮฺต้องการจะบอกกับพวกเองมันมีน้ำหน้าอย่ามาขอม้อจี z าตเลยไอ้คนที่จะขอหม้อจี z าตก็คือคนที่อ่านคบบาัมภีร์ตอรอฮฺซาบูตอินจีนมาก่อนแล้วพวกเองอ่านกับคัมภีร์อะไรไม่มีคัมภีร์อะไรมาก่อนเลยคงจะไปฟังจากพวกยิวมากกว่าและมึงมาขอม้อจี zar จากท่านนาบีให้นบีแสดงหม้อจี z าตมา ทีนี้อลัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายว่าถ้าหากคนอาหรับมุสริกนี่นะขอให้นบีนำมวยอีสาตมาสแสดงถ้าหากอลัลลอฮ์นี่นะให้นบีนำมวยอีสาตมาแบบนบีมูซาเหตุเห็นกันชัดๆเนี่ยนะรู้ไหมแต่หากคุณไม่อิมานปั๊บเนี่ยการลงโทษมาทันทีจะเอาอย่างนั้นไหมอ่ะจะเอาอย่างนั้นไหมถ้าเอา ระวังระวังฉะนั้นเนี่เตือนก่อนฉะนั้นอิหมานซะก่อนไม่ต้องรอมว้วนยิ่งาตเราถ้ารอมว้วนยิ่าตถ้าเองไม่เปลี่ยนแปลงนะถูกแน่แน่นี่ต้องาการอธิบายอย่างนี้แหละอ้ไอาณีอัลฮัมดุลิลลาฮิวาถาว่าม้วนยิาตของนบีมุฮัมมัด ม, ม, มีเท่าไหร่สามร้อยกว่านะ่ะแล้วพวกนี้มองไม่เห็นน่ะมองไม่เห็นอัลลอฮฺอักบาร อถาถามว่ากูอ่านเป็นมวยจีรศักดิ์ไหมอ่านเร่อนี้นะนี่แหละเป็นมวยจีรศัดชัดๆเลยนะครับอเพราะฉะนั้นนี่ alert ออเตือนนะจะนี้พวกเราวันนี้ก็เหมือนกันนะที่เป็นมุสลิมหรือว่าที่อยู่ในโลกดุนยาไปนี่นะอย่าดูถูกกุปรานนะอย่าดูถูกนบีมุฮัมมัดนะนะครับแล้วก็อย่าดูถูกสุนนะของท่านนาบีนะ ฉะนั้นคุณอ่านอายาตไหนที่ว่าดูถูกนบีไม่ได้เหยียดหยามนาบีไม่ได้อินชานียกะฮุวลอับตารแปลว่าศัตรูของท่านศัตรูของท่านนี่ถูกอะไรนะถูกตัดขาดถูกตัดขาดกับความเมตตาของอัลลอฮ์ไปแล้วต้องการจะอธิบายว่าตอนนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยใครที่ว่านาบีนี่นะอัลลอ์จัดการ เช่นคนที่ว่านบีประมัยก็มีอบูละฮับอบูยะฮันญาพี่น้องนบีโตโะตะตเะ ต, ะตะวะอะไรพวกนี้คนกล้าชิดนบีหมดเลยคิ่เล่นงานนบีน่ะถามว่าพวกนี้สําเร็จไหมล่ะชนะไหมแพ้หมดเลยนั่นเห็นยังอ่ะแล้ววันนี้พวกเราอยู่ห่างกับ น, นบีมากี่ปีพันสี่รอยกว่าปีแล้วเรา ขวางซุนหน้านบีวันนี้เราขวางซุนหน้านบีนะเราไม่ได้ขวางตัวนบีจริงๆสมัยก่อนนี่เล่นนบีตรงๆเลยใช่ไหมเอาไรนะเอามูลสัตว์ไปวางบนหลังท่านนบีนบีกําลังนมาซูอยู่ที่กะบะเอามูลสัตว์ใส่หลังเลยอัลลอฮ์นบีเหนื่อยไม่ไหวท่านหญิงฟาติมาลูกสาวนบีก็วิ่งไปเอาเอาออกจากหลังท่านนั่นกันเล่นกันตรงๆเลย แล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนบีเนี่ยมีลูกผู้ชายตายหมดลูกนบีตายนบีเสียใจไหมลูกตายทุกคนเสียใจหมดแต่ตามตลาดตามหมู่บ้านเนี่ยนั่งคุยกันว่ามูฮัมหมัดแย่แล้วมีลูกผู้ชายตายหมดพอได้ยินเรื่องข่าวหูนบีนบะีก็เสียใจอัลลอ์ชาวบ้าน ลูกชั้นตายนะฉันก็เสียใจมันยังนั่งด่ายอยู่ข้างนอกอย่างนดูสิดูดูมันทำํนทำกันเดี๋ยวมันเท่ากันอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอินนาอัตไทนากัลก้าวสัดฟอสตันลลิโรบิกันฮารอินนาชาเนียกหัววัลอันเป็นการเตือนนะว่าอย่าขัดขวางนบีอย่าทําลายนบีอย่าว่านบีตอนนี้พวกเราวันนี้ก็ไม่ไม่เบาพวกเราวันนี้ไม่เบานะทําตัวพวๆอๆกักับสมัย อาลัฮุชลิกีนันแลอะอะอะไรบ้างของที่นบีนำเอามาสอนเรียกว่าซุนอะไรนะซุนนะมีอยู่คนหนึ่งไม่กล้าเรียกซุนนะเรียกซุนเนาะเรียกซุนนาะถ้ัเมันเพียเพ้ยนๆมันนิดนึงเพราะว่าซุนนะ้านมันมันมันมนตรงเกินไปพวกนี้เชาวซุนนะเนาะนึกว่าซีเนาะชื่อผู้หญิงแล้วมึงไม่ใช่ นี่มันจะชื่อผู้หญิงนะเป็นชื่ออะไรนะเป็นชื่อทางนํานะครับเป็นความรู้เป็นหนทางที่อลัลลอฮ์ทรงพอใจนะครับพี่ร้องเอาละแตนั้นคนที่ขัดขวางนาบีนะวันนี้คนที่ขัดขวางนาบีทุกเรื่องนะอลัลลอฮ์จัดการไม่จัดการก่อนตายก็จัดการหลังตายฉะนั้นพยายามรักษาสุนนนะนบีเอาไว้นะครับนี่ถ้าจะให้ใช้ตอนหนีตอนนี้ทําไมรู้ไหมให้อ่านาอุบิลละเยอะ เอางูสนะุบิล่าอยู่นน้ำใช่อนนี้รจีนะเวลาหาวเนี่ยทำไงนะฝืนฝืนแล้วประต้านเอาไว้นะอยะอย่าอาอ้ายาอ้าปากกว้างแล้วก็มีเสียงอักใครหัวเราะส่ตอนหัวเราะถ้าใครหาวแล้วก็มีเสียงออกมาดังอักเขยใช่ไหมเขยบางทีเราไม่รู้สู น, น้านาบีหาวกว็าหาวเถอะอะ้าปากกว้างเลย เสียงดังอักออกมาเนี่ยชายตอนแบบบาให้กลแปลว่าอะไรหัวเราะหัวเราะอียอะคนที่นี่เลยดูสิมันหาวคนหาวไม่เป็นดูสิมันหาวตามใจมันได้ยังไงมันต้องหาวตามสุนนะนบีที่สอนหาวว่าทอย่างนี้นะอ่านอุบิลลาฮิแนสัยตอนนี่เรายินว่านะอมือปิดปากให้เห็นเล่นไก่นะเราหาวไม่เป็นพอหาวไม่เป็นชายตอนหัวเราะฮ่าฮ่มีเสียงด้วย ฉะนั้นมุหมินเวลาจะดีใจเนี่ยเขาห้ามหัวเราะมีเสียงให้ทำไงนะแค่สไมลิ่งเฟซทำอะไรแค่ยิ้มพอแล้วนบียิ้มตลอดรู้ไหมยิ้มใส่ตอนหนีหรือเข้าใส่ตอนหนีนะใชตอนไม่ชอบคนยิ้มใช้ตอนชอบคนหัวเราะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะพี่น้องเลือกเอาจะเอาตามนาบีหรือจะตามตามมิสเตอร์ใชตอนเชิญตามสบาย อัตมะอายาทิเจว่มะอัลซัลนะกับละก็อิลลาริจัลันนูฮีอิลัยหิมฟาส ألوأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ว س َ ل ْอَ ا สَนْกَบَลِ ل ลล ا رجال นูฮีอีไลห์มฟัสอัลูอัลลัِิกอินُْุตุมละตั๋ลามุนอัลฮัมดุลิลลาอัลยานี่คิ i ว่าค o n กับ p u ลมาค k ณ n ย i ่ อาญาณี้เกี่ยวข้องกับอุลมอฮ์คนยิวอุลมาาอฮ์นอสรออัลมอฮ์กลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เกี่ยวข้องด้วยนะและเกี่ยวข้องกับคนที่ชอบถามว่าอิสลามเนี่ยคุณอ่านเนี่ยสอนทุกเรื่องจริงเปล่านะครับเข่นถามว่าไงนะคุณอานสอนวิธีการทําขนมปังเปล่าความมุสลิมเนี่ยพูดว่าอิสลามคุณอานสอนทุกเรื่อง เขาก็จะถามย้อนว่าแลสอนวิธีการการทำขนมปังไหมสอนวิธีการทำเต้าหู้ทอดไหมอะไรพวกเนี้ยบอกสอนหมดทุเรื่องเลยนี่คือหลักฐานเอาอายาพี่พูดเรื่องคนยิวก่อนว่ามาอัลสลนะกับเบลกอิลลา رجال นูฮีอีไลฮิมและเราไม่ได้ส่งผู้ใด คำว่าส่งเนี่ยมาถึงส่งนบีนะเราไม่ได้แต่งตั้งคนใดเราไม่ได้ส่งนบีคนใดมาบนโลกนี้ก็บละกะก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดเราไม่ได้ส่งนบีคนใดก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดให้เป็นรอซูลนอกจากคนที่อ AH ัลลอฮ์แต่งตั้งแต่งตั้งแต่งตั้งนั้นเป็นอะไรนะเป็นริจาร เ ป, นนเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเป็นคนธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยไม่ใช่ผู้หญิงต้องการจะอธิบายอย่างนี้เลยนะอัลลอฮ์สรงรอซูนมาแต่ละคนแต่ละคนก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดนะเป็นคนผู้ชายหมดเลยไม่ทรงกระไรนะไม่ส่งผู้หญิงเนี่ยตองการจะอธิบายตรงนี้ด้วยไม่แต่งตั้งผู้หญิงให้เป็น รอซูลแต่แต่งตั้งผู้ชายให้เป็นรอซูลคำว่าดิยาดมีสองความหมายหนึ่งเป็นผู้ชายสองเป็นคนธรรมดาธรรมดาธรรมดาทาไมอลัลลอ์ประทานเรื่องนี้ลงมาเพราะมันมีสาเหตุเป็นอย่างนี้คนอาหรับมุชริกิดเนี่ยเขาต่อต้านนบีมุฮัมมัดคำว่านบีไม่ใช่นบีรถ้าเป็นนบีเนี่ยมันต้องเหนือคน มันต้องเป็นคนเหนือคนคนที่จะเป็นนบีเนี่ยมันต้องมีต้องเป็นมลัยกาโอ้พูดเยอะต้องเป็นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วหัวหน้ากลุ่มทุกวันนี้เนะ่ะคนรวยคนดีหรือคนเลวส่วนใหญ่เป็นคนเลวหมดเลยนะเป็นหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยอ่ะอยางก็ตําแหน่งอะไรก็แต่เดี๋ยวเลือกเลือกขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่เลือกมันมึงตายอะ่ะมันก็ต้องเลือกนบีพูดไว้แล้วนะ ใกล้ๆวันเกียร ม, มารเนี่ยหัวหน้าทั้งหมดเนี่ยจะถูกเลือกโดยประชาชนนั่นแหละแต่ว่าต้องเองไม่เลือกใครระวังมึงนา้าเดินขู่ตามบ้านเลยน ะ, ะฉะนั้นหัวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไม่ค่อยดีทีนี้อัลลอฮ์ก็เลยประทานอันกลมแก้ข้อคิดนะครับมาทำลายความคิดของพวกเขาว่าวมุฮัมมัดจงประกาศ ไม่มีนบีคนใดในโลกที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นผู้หญิง่ึงที่หนึ่งไม่มีนบีคนใดที่อัลลอฮ์ส่งมาในโลกนี้นอกจากเป็นคนธรรมดาธรรมดาอ่าและเลือกออกมาจากคนนี่แหละขึ้นมาคนหนึ่งนะอิลลัลิจัลนูฮีอิลัฮิมซึ่งเราได้ประทานขวหีมาตัวลรงให้ความรู้กับนบีมาไม่ต้องไปเรียน ไม่ต้องจบมหาวิทยาลัยหรืออยู่เมืองไทยก็ไม่มมต้องจบธรรมศาสตร์จุฬาเราลงแผลไม่ไม่ต้องเรียนอะไรเล ย, เลยฉันจะให้โนเล l ความรู้กับคนคนนี้และให้มาสอนคนเลยอลัลลอฮ์นี่ต้องการจะบอกอธิบายว่าอลัลลอฮ์ต้องการจะให้ให้ภูราวาเนี่ยที่อ่านคุรุาอานเนี่ยมองว่าอลัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติมนุษย์ขนาดไหนให้เกียรติมากเลยยกย่อมให้เกียรติมามอ่านมุสลิมเนี่ใช่ไหม อัลลอฮ์ยก่องให้เกียรติคนที่มีความรู้ยกย่องให้เกียรติคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺยะทั้อิลลาหุลลาดีนนอามานุมิ่งกุมวัลลาีนนอูตุไลล์มัจาระยะตนี่อัลลอ์ยกอ่ะฉะนั้นถ้าอยู่โง่โงไม่อ่านอะไรเลยจะได้ไหมเป็นไงไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยกุอ่านก็อ่านไม่ออกสักอัซุรฟาติฮอ่านมายี่สิบปีแล้วแปลว่ารไม่รู้ ไม่กล้าแปลเพราะต่อครูคณะก่าวข้สอนอย่าแปลคุณอ่านตกนรกนะแล้วไม่รู้เรื่องเลยเจ้านี่เพราะนมาแล้วใจลยนึกถึงแมวบ้างนึกถึงหมาบ้างนึกถึงนกบ้างนึกถึงแพะบ้างนึกไปนู่นแทนทีจะนึกถึงคำแปลเขาอะไรุณอ่านใจไม่ได้ครูช่วยอย่าได้นห น, นอบนน้องยอมตนใช่ไหมแต่ไม่กล้าให้ลูกเรียนอย่างนี้เป็นตน้นเอาละ เราต้องการจะอธิบายว่านาบีที่มาแต่ละคนเป็นคนธรรมดาแล้วก็อลัลลอฮ์ให้ความรู้โดยไม่ต้องเรียนอางมูฮัมหมัดเนี่ยจมหาไปไร้หว่าอ่านไม่ออกด้วยแต่วันนี้พวกฝรั่งต้องการจะบอกว่ามูฮัมหมัดนี่เรียนความรู้เนี่ยมาจากพี่น้องชาวคริสเตียนคนหนึ่งใส่ได้ถึงขนาดนี้นะเจ้าทหาหูเบาเมื่อใดนะจบแค่นั้นต้องยึดคนอ่านอ่านคุรานเข้าใจคุราน นูฮีอีไลฮิมเราได้วะฮีให้แก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นนะครับบรรดาอบีถ้าสงสัยเรื่องนี้อ่า น, นี่บอกอาับชามุชีกินถ้าคุณสงสัยว่าตามที่อเลาพูดจริงหรือเปล่าฟัสอาลูอลัลลัซิรีจงอะไรนะดังนั้นผู้ปฏิเสธเ อ, อ๋จงถามอลัลลัซิรีแปลว่าผู้ที่มีความรู้อลัลัซิีเนี่ย ผู้ที่มีความถนัดเช่นอะไรบ้างบรรดาอุลมามะของพี่น้องชาวยิวอุลมามะของชาวคริสเตียนและอุลมามะกลุ่มอื่นๆให้ไปถามคนรู้คนรันว่าที่พูดอย่างนี้นะจริงหรือเปล่าที่ว่าส่งนบีมาเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ชายทั้งหมดไม่มีผู้หญิงนะจริงเปล่าให้ไปถามอุลมามะคนเหล่านั้นดูนี่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปเชืงอเขานะไปถามก็ดู และถามก็ถามเพียเรื่องๆว่าเรื่องมูฮนะัมหมัดนะมีในคัมภีร์คุณหรือเปล่าลักษณะของมูฮัมหมัดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอไปถามพระ ก, ก็จะรู้ความจริงนี่สั่งให้คนอาดับมุชลิกนที่แอนตี้มูฮัมหมัดถ้าสงสัยเรื่องนบีคนที่มาก่อนๆเป็นคนประเภทไหนนั้นให้ไปถามอุลมามะของคนยิวและชกุมคริสเตียนนะครับอันนี้ต้องการอธิบายอีกฟัสอาลูอละลาดิคีท่านทั้งหลายจงอะไรนะ จงถามคนที่มีวิชาความรู้อิ่งกุลตุมลาตาลาโมุนท่าท่านตั้งหลายไม่รู้อธิบายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่ามีคนถามว่ากุาณอ่านนสอนวิชาทุกเรื่องจริงหรือบอกจริงครับคอหลักฐาอนอ่ญญานอันนี้สิฟาสอลูอัลอาลาเซกริอิ่งกุลตุมลาตาลามูนผู้ปฏิเสธเอ๋ย จงถามคนที่มีความรู้ในสาขาต่างๆเช่นถามว่าสอนวิธีการทําขนมปังในกุรานไหมบอกสอนครับวิธีการทําขนมจีนสอนไหมสอนครับสอนหมดเลยทําไงอยู่ที่ไหนอาญาไหนาอาญาเนี่งอ่ะให้ไปถามคนที่ทําขนมจีนเก่งให้ไปถามคนที่ทําขนมปังเก่งก็จะรู้ความหมายเนื่อง่อัอลลอฮฺเห็นอย่างครับแบบ นั่นมุมินสอนเอาล้อสอนให้คนฉลาดหรือโง่ชายปัญญาถ้าจะถามว่ากามีภรรยาเกินหนึ่งมีสี่มีลูกย่ิบเต้องถามใครหมอแวนให้ถามคนที่มันมีความถนัดจานนี้อย่าไปถามคนแต่งงานคนเดียวแล้วลูกสองอย่าไปถามสมการณ์ไม่มีต้องไปถามคนที่มีสมการณูสู ง, สงนั่นใช่ไหมคุณเชืรล่า พี่น้องฉลาดนี่คุณอ่านอธิบายอัลลออลกุบะเข้าใจง่ายใช่ไหมนั่น อ, นอ่านอ่านอ่านอ่านคุณอา่านเยอะๆแล้วหัวสมองมันจะฉลาดนะครับเอาต่อมาครับอลลายาหนี้อุลมามะตัฟซีดยิบนุกะซีดอธิบายว่าี้นะนี่แหละคืออัลลอฮฺต้องการจะให้คนอ่านคุณอ่านนึกถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺประทานให้กับมนุษย์นี่คือแบบนี้เนี่ยมาที่อัลลอฮฺประทานให้กับมนุษย์ ให้มนุษย์มาเป็นนบีให้มนุษย์มาเป็นรอซูนให้มนุษย์ได้รับความรู้จากอัลลอ์ให้อามาสอนสอนสอนนี่เป็นความที่เขาเรียกว่าอัชรอเป็นสิ่งที่มีเกียรติสุดของอัลลอ์ที่มอบให้กับมนุษย์ทุกชาตาะนะต่อมากระบายะที่8ปดว่ามาจะอัลนาฮุมจะซาดัลลายกูลูณัตอัม วมากันู ا ن و ا ลดีนวมามัน جعلناهمجسدالله يأكلون الطعام ว่ามันู ا ن و ا ลดีนอัลฮมัมดุลลาพี่น้องเนี่ยให้ความรู้กับเราเยอะมากเลยครับพี่น้อง คนอาหรับมุสริกตองการตองการอย่างนี้คนที่จะเป็นนบีเนี่ยต้องไม่ใช่คนคนที่จะเป็นนบีต้องคนเหนือคนคนที่จะเป็นนบีต้องมีมาลายิกะอยู่คู่คู่ข้างๆด้วยนึกเยอะคนจะเป็นนบีเนี่ยจะต้องไม่กินคนจะเป็นนบีต้องอายุยาวเป็นพันๆปีสามสี่พันปีไปเลยอเลอตตอบคำถามแก่เลย ว่ามาจะอลนาฮุมเราไม่ได้ทำให้หุ้มมาถึงพวกที่เป็นนบีทั้งหลายนั้นยาซาดันไม่ได้ทำให้เขาไม่มีร่างกายทำให้เขามีร่างกายเป็นคนธรรมดาที่คุณนึกว่าอยากอยากได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ่คิดผิดทั้งหมดฉะนั้นคนที่จะเป็นรอซูเนี่ยนะ เราไม่ได้ทำให้เขาทั้งหลายมีร่างกายที่ไม่ต้องบริโภคอาหารเราไม่ทำแบบนั้นตกลงว่าหากจะทำให้เราอยู่บนดุนยานี่ไม่ต้องกินอาหารทำได้ไั้มถ้าอัลลอฮ์จะทำให้เราอยู่แบบมาริการไม่กินอาหารได้หรือไม่ได้ได้นี่เห็นยังไะนี่อัลลอ์เนี่ยสร้างมนุษย์มา ให้มีร่างกายแล้วก็ต้องการอาหารนี่อัลลอฮ์ทำนะนี่เป็นความสามารถของอัลลอ์ต้องการจะโชว์ให้เห็นว่าฉันมีความสามารถนะหรือจะทำให้มนุษย์นี่เหมือนมารกาได้ไหมไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องกินอาหารทำได้ไหมได้อา้าใครอยากเป็นมากยาการ้ปละผมไม่เอาเป็นคนดีกว่าอัลลอฮ์อักบะเป็นคนมีโอกาสทำบาปบ้างกันเรียกน้อยๆมันซ้าอร่อยเหมือนกันนะ นี่ไม่ได้ยุ่ให้ทำบาปนะเรานี่ทำบาปวันลกี่เที่ยวรู้ป่าเต็มเลยอันนี้พี่ต้องสังเกตไหมคนที่เดินผ่านกูโบเนี่ยเคยมองกูโบบ้างไหมเคยชะเงิน้ามมองที่กูโบอัสสลามุอะลัยุมอลัดเดียมินัลมินีนัลมุสลิมนวอินนาอินชาอัลลอฮบิคุมลาฮิกนมีไหมมีสักกี่คน อาเดินสิบคนน่ะอาจจะมองสักคนสองคนอีกแปดคนไม่ได้มองแล้วก็ดูอาก็ไม่อ่านด้วยแต่ว่าถ้าเดินผ่านผู้หญิงสวยๆนี่สิบคนนี่มองหมดเลยไหมมองได้ไม่มองทั้งสิบเลยนะเจอผู้หญิงยืนอยู่คนแต่งตัวสวยรอทานยิ้มสติปสีเขียวบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างห้าสีที่ปากเนี่ยทํามองได้ไม่มองร อ, อมองหมดเลยแล้วพอมองแป๊บเนี่ยอ่านดูอาเป็นไหมไม่เป็นอีก พอมองปั๊บอัลฮัมดุลิลละทำไมมันถูกใจอย่างนี้อ่ะอย่างวันนี้ชวช้า ว, วันนี้นะไปเดินทูที่ไหนนะที่แผงหนังสือพิมพ์นะ่ะผิงแก้ผ้าเต็มหมดเลยเฉพาะในหนังสือพิมพ์นะข้างนอกต่างหากนะแล้วเราโมเมนทำไงบางคนนะอัลฮัมดุลิลละว่าอะไรไม่เป็นนะถ้าจะว่าว่าอย่างนี้อัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกามิน ฟิตนตินนิสาวาลบกบรวดมนองกว่าสิเด็กชายอัลลุมะอินนี อ, นอูุบิกะมิฟิตนตินนิสาวาลบกบรมองดีหรือไม่มองดีอ่าตอบสิเงียบมองดีหรือไม่มองดีผู้หญิงสวยๆน่ะ มองหรือไม่มอง oh. มองอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันนั่งตรงเรียนกุรณานเยอะๆงานพี่เลี้ยงท่านรับพี่ชอบอย่ามองอื mm. มองให้รู้ว่าเป็นเป็นคนมีอยู่ห้าสีที่ปากพอแล้วแล้วก็กลมโอแม่ฉันสวยกว่านี้ตังเยอะพี่สาวฉันสวยกว่านี้ตังเยอะ น้องสาวฉันที่บ้านสวยกว่านี้แต่เยอะต้องนึกแบบนี้ถึงจะได้กิจกรรอัลลอฮุมาอินย์อาดูเบตกามินฟ um ิสนาตินมิาวะดาเบลกอบรนั้นถ้าหากฝึกมองผู้หญิงก็ต้องฝึกมองกูโบด้วยแล้วก็ท่องที่กูโบด้วยนะนเงิญหน้าผ่านกูโบ Allah, Allah, a ikum, ah l ن ا ل ل ه ب ك ا ل ل ه ل ฉะนั um ้นเมื่อมองผู้หญิงเก่งก็ต้องมองกูโบเก่งด้วยแล้วอ่านอาให้เป็นทั้งสองรายการนะ ว่มาจอัลนาหุมจะแสดงเลยกูลูนะปะและเราไม่ได้ทำให้เขาทั้งหลายให้บรรดานับบีทั้งหลายที่มาในโลกนี้นะมีร่างกายที่ไม่ต้องการบริโภคอาหารเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราทำให้นาบีนั้นเป็นคนและต้องการกินอาหารนี่เป็นนาบีเลยนะครับแล้วต่อมา วะมากานูคอลิดินและพวกเขาไม่ใช่เป็นผู้มีชีวิตอยู่ยืนนานต้องการให้รู้ว่าอายุไม่ยาวหรอกแต่ละนบีนบีที่มาแต่ละคนนั้นอย่างนาบีมุฮัมมัดอายุเท่าไหร่นะ63บสาว่าฟาตแล้วอิหม่ามชาฟีอายุห3บสตายแล้วเป็นอุลมาระดับโลกอ่ะ อายุเท่าไรห้าสิบสาตายแลย้วอายุน้อยมากอ่ะอาจจะนั้นต้องการจะอธิบายว่าคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้คนต้องกินอาหารคนต้องแต่งงานคนต้องมีลูกแม้คนต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยฉะนั้นนบับว่าใครที่มีสี่รายการเนี่ยนะคนนด้เป็นคนที่อรลอยโยกโยกหนึ่งมีภรรยาที่ดีเห็นยัง มีภรรยาที่ที่ดีเธออ่านตูอาว่าไงอัลลอฮุมมะซาอวิจญีซาอูจัดันสอเลฮาดันรู้ว่าซิอัลลอฮุมมะซอวิจญีซาอูจัดันสอเลฮัดันแปลว่าโอ้อัลลอฮ์เราจะให้ฉันได้มีภรรย า, ท, ยาที่สอแล ใช่ผู้ชายที่ที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะเริ่มขอทุทิศได้แล้วไม่ใช่ไปหาเองขอกอดอยลารอจะประทานลงมาอัลฮัมดุลิลละเรียนหญิงก็ต้องขอุ ว, ว่างี้อัลลอฮุมะซาวินีซัอลีฮนอัลลอ์จ๋อัลลอฮ์โปรดบทานสามีที่ดีๆมาเป็นสามีของหนูได้เถิดอัลฮัมดุลิลลฮัมดุลเลามาแวดยขอุเก่งอัลล์รับหมดเลยอัลฮัมดุลิลล บางคนอันลลอขอแล้วไม่รับเพราะว่าเองใจอ่อนอย่าๆยๆายนะครับคนเดียวพอวามาการูคอลีดินและพวกเขาไม่ใช่เป็นผู้มีชีวิตอยู่ยืนนานอันลลอเห็นไมทุกคนต้องตายหมดแสดงว่าทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ต้องเตรียมตัวตายาต้องเตรียมตัวตายพอเกิดมาเนี่ยนะต้องเตรียมตัวตายแล้วยขณ น, นนี้นะ อายุสี่สบมี60ิมีเตรียมตัวตายได้แล้วทำยังไงก็เอาศาสนาของอัลลอฮ์ทำงานที่อัลลอฮ์สั่งออกหางจากเรื่องชั่วทั้งหมดนะเอาสรุปอายานี้มีความหมายว่าผู้ที่เป็นรสูนทุกคนมีร่างกายเป็นสามัญชนต้องกินอาหารมีแก่มีเจ็บมีตายนะครับในค้อจากอุลมามะสรุปนะ เราสรุปไม่เป็นหรอกพี่น้องอุลามาสรุปให้นะหนึ่งมีเจ็บมีตายมีแก่แล้วก็วิธีการดูสุขภาพตัวเองให้ดีทำไงอลัลลออักบัด ต, ต้องมีอาหารประจำบ้านนะอินทรพัลำสองน้ำมันใจตูนออแล้วก็ฮับบะตุซาวดานา้ำดำดำไม่ใช่บะมี่ดำดำนะน้ำดำดำใช่ไหม เอาของดีๆที่ท่านนาบีปฏิบัติเนี่ยเอามาไว้ที่บ้านแล้วก็อย่าทานเยอะทานเม็ดสองเม็ดอัลลอฮฺอักบัตแล้วก็ออกกําลังกายสม่ำเดินมามัสยิดเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดและตื่นนอนแล้วก็บวชวันจันทร์กับวันพุธหัสเป็นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตามสุนนะนบีอัลฮฺมุลลิลละเพราะอัลลอฮฺให้ร่างกายมาแล้วให้มาก็ต้องดูแลให้มันดีอย่าเสพของเหมือนเมาอย่าเล่นการพา น, านันอย่าไปเอา นั่นมันพาเราลงนรกทั้งหมดเลยนะครับข้อที่สองและบรรดานาบีทุกคนไม่ใช่เป็นผู้มีชีวิตอยู่ยืนยาแบบไม่ตายไม่ใช่นะครับข้อที่สามเพื่อตอบปัญหาแก่ชาวอาดับมุชริกที่เข้าใจว่าคนที่เป็นนบีต้องเป็นคนเหนือคนคนที่เป็นนบีต้องไม่กินอาหารคนที่เป็นนบีจะต้องไม่เดินตามตลราดคนที่เป็นนบีจะต้องไม่มีงานทาใครบอกไม่ใช่ใช่ไหม ฉะนั้นคนที่เป็นคนอาดับบนบุชิีหลายคุณก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่รอดแนะนำเรื่องเหล่านี้ไว้นในคัมภีรอัลกุรอาน Al ทั้งหมดแล้วนะครับต่อมาอายาที่เก้าซุมมาซาดักนาฮุมุลวาดฟันจัยนาฮุมวะมานาชัววะอลักนัลมุสริฟีน สุ่มมา صادقناهم อวัฎแฟนเจ يناهمومننشأ وأهلكنا المسرفين الله أكبر อัลลอฮ์เล่านะอัลลอฮเนี่ยวางวางกฎไว้อย่างนี้และเราได้ทาให้วาดูไปว่าสัญญา เราได้ทำให้สัญญาของเราซอดักนะฮุมเป็นความจริงอัลลอฮ์วางกฎไว้อัลลอฮ์เดินตามกฎฉะนั้นกฎที่อัลลอฮ์วางไว้แต่ละกฎแต่ละกฎอัลลอฮ์ได้ทำให้เป็นสมจริงทุกกฎเลยอา้าสมจริงเรื่องเรื่องอะไรบ้างคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์คนที่ต่อต้านนาบี อัลลอฮ์ได้แสดงให้เห็นมาแล้วให้ตายหมดถูกลงโทษจากอัลลอฮ์หมดเช่นฟารโรห์ในสมัยนบีมูซาจมน้ําน้ําท่วมตายในสมัยนบีนุฮออะลัยฮิสสลามสมัยนบีชูไรบออะลัยฮิสสลามกงตะช่างกันน่ะค้าขายแล้วกงตะช่างเนี่ยอัลลอฮ์ทำลายหมดแล้วเอาเด็ดสิ ท่นาบีลูดอยู่ตรงนั้นเนะ่เราสอนเรื่องฮโมนเซ็ชวให้เรื่องให้หมดนะแล้วก็ไม่เชื่อนาะบีลูดเาละให้มาริกามาองค์เดียวนะมาเอาแผ่นดินตรงนั้นอนะ่ะกระแทแกเรายกขึ้นแล้วก็พลิกแผ่นดินนะ่ะตายเรียบหมดเลยทุกวันนี้เป็นเดนสี่ i, เป็นให้เราได้ศึกษาตรงนั้นเป็นความรู้ซุมมาสอดากนหน้าฮุมบุลวะดูเราได้ทำให้สัญญาของเราสมจริง นะครับแก่เขาทางหลายแล้วเห็นยังพี่น้องที่ไปเดินดูตามที่ต่างๆเนี่ยอย่างเซนามิที่ภูเก็ตไปเนี่มันต้องนึกอัลลอฮฺอักบาร์นี่ครบสิบปีพอดีจะมาเซนามิอ่ะสิบปีจะรับความรู้อะไรบ้างถ้าไม่มีความรู้ไม่ท่านมาอีหมานเพิ่มนะการมีสซนามิของอัลลอฮฺนะนะคนที่ไม่ได้รับความรู้นะขาดทุนแต่คนที่มีอีหมานเพิ่มมีไม่มี นึกหนังสือนมี ullah, ullah, อะสตาฟิโรลลอะสตาฟิรลลอะสตฟิโรลเพิ่มเลยใช่ไหมแต่คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ดาก็ขาดทุนนะอลัลลอ์ให้มาแล้วมอนธาบูอสซันพูดดีนะอุซันบอกว่าคนฮินดูฆ่ามุสลิมในอินเดียแล้วมุสลิมบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยเองขาดทุนอย่างแรงเลยนะมุสลิมฆ่าฮินดูฆ่ามุสลิมเผ า, าร้านมุสลิมอ่ะ เดนมุสลิมยังนั่งทะเลาะกันดูเลยเอาา็งขาดทุนอย่างแรงเลยนะแนคะ่นั้นตา ต, ต้องนึกเอะตอนนี้พี่น้องเราที่ปัตตานีย่าลานาชว่าน้ําท่วทมใช่ไหมเราได้ก็คิดอะไรบ้างอยู่คุณอยู่ในกทมเนี่ยได้ก็คิดอะไรบ้างยังน้องต้องขอด้วยอย่เอาลอให้น้ำลดอย่เอาลออย่าให้มีบรลามากกว่านี้เลยโอ้ลเอาลอในกทมอย่าให้มีแผ่นดินไหวเพราะตึกมันสูงเนี่ยถ้าไหวตรงนี้เรียบร้อยไหม Allah อัสตักเป็นลอต้อง เตรียมตัวตายาถ้าจะตายตรงนี้ก็ตายแบบอีมีอีมานอัลลอฮฺอักบัดนะต่อมากับฟันใจนาหมและเราได้ช่วยเขาทั้งหลายให้ปลอดภัยถามว่าช่วยใครช่วยคนที่อีมานต่ออัลลอห์นี่ไม่ให้เขาตายในสภาพถูกทรมานต่อหน้านาบีพีน้องอย่าลืมนะ การที่อลัลลอฮ์ลงโทษและนบียืนมองอยู่กับคนที่ตายถูกทรมานและนบีมายืนอยู่เนี่ยต่างกันนะอะอย่างพวกฟาโรทหารฟาโรประมาณ 7-8 ดแสนคนที่ตายอยู่ในทะเลนะแล้วก็นบีบูษายืนมองอยู่นี่นั่นบัลลัดเหยียดยามคนเหล่านั้นอย่างแรงเลยนบียืนมองอยู่แล้วก็ถูกทรมานถูกลงโทษ กับคนที่ถูกทรมานแล้วนบีไม่ได้เห็นนบีไม่ได้ยืนมองเนี่ยมันยังเบากว่าคนที่นบียืนมองอยู่นะวันนี้แต่อัลลอ์สัญญากับนบีมฮัมหมัดว่าอุ ม, มาของนบีมฮัมหมัดนจะเลวขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ลงโทษเหมือนคนในอดีตมีสองอายะห์วามากุณนามุอาดีบินเราจะไม่ลงโทษคนเขาเหล่านั้นวาฮุนวาฮุมยาสตักฟิรุน ถ้าหากคนเหล่านั้นกำลังยืนขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มายถึงเดินตวาบทิมักกาทิกะบะและคนที่ทำบาบาบาชั่วชั่วชั่ว ช, วช่วอยู่อัลลอ์จะยังไม่ลงโทษเขาประวิงเวลาให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวรับอิสลามใช่ไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าไม่เปลี่ยนเท่ากับเป็นการสะสมความชั่วให้กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่ามาคุณตุมอับินว่าอันตัฟีฮิม น บ, บีมุฮัมมัดยังมีชีวิตอยู่เราจะไม่ลงโทษคนเหล่านั้นเหมือนคนในยุก่อนวันนี้น บ, บีเสียชีวิตไปแล้วยังเหลืออีกเรื่องเดียวนะคนยังเดินตะ ว, วันอยู่ที่กาบคนยังขอดูอาอัสตัฟฟิรุลลอฮ์อยู่นะอันลลอฮ์ะจะไม่ลงโทษคนชั่วชั่วนะแบบเหมือนเหมือนกับคนในยุก่อนแต่นานๆก็จะส่งเซรนามิมาทีหนึ่งคนที่แก้ผ้าอยู่ชายหาดทั้งหลายนึกต้องนึกนะเอาต่อมากับ ว่าอาหักนัลมุสวามันชาแล้วก็บุคคลที่และเราผู้ที่เราประสงค์ให้เขารอดก็เยอะประสงค์ให้เขาตายก็เยอะ <c oughs> เพื่ออะไรนะเป็นการเตือนคนที่มาข้างหลังให้นึกถึงนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาจา ว่าอาลาคุณนัลมุสลิฟแลวเราได้ทำลายพวกท ه, so, ี่ละเมิดฝ่าฝืนทำลายหมดละโอ้คุณอ่านสอนให้เราคิดนะทำดูเลยเลยอาตอมาอายาที่สิบแล้วก็ดออันซาลนาอีไลกุมกิตะบฟีฮิบิครุคุมอัฟละต้ากลู วะเล็กเล็กพอได้อัญเชิญนะอิเเละอิคุมกิตาบะฟิฮิดิกรุคุมอาฟ阿拉ต้าติลูนอัลลอฮ์ Allah, พอเล่าเรื่องการทรมานลงโทษลงโทษเอ่อคนในยุคอื่นๆอัลลอฮ์หันมาให้เราดูอัลกุรอานนี่ไงนะเนี่ยให้เราอ่านกุรอานห้ดูกุรอานกุรอานเป็นอะไรเอาดู ลราก็จะอนเจ้านาอิเล่กลุ่มโดยแน่นอนยิ่งเราได้ประทานอ่นเจ้านาเราได้ประทานออลอิบน้นองเรียนประวัติการประทานอัลกุรอานด้วยโอ้กุรอานถูกประทานมาครั้งแรกให้กับใครนะให้กับนบีมุฮัมมัดที่ไหนที่ภูเขาฮิร์เรเดือนไหนเดือนระมดอนปีไหน1400กว่าปีทาให้เราฉลาดขึ้ น, เน่เห็นยัง กีตาบันอิไลกลุ่มมายัางพวกท่านทั้งหลายกีตาบันเป็นอะไรนะเป็นคำพีกีตาบันชี่หมายถึงอัลกุรอานอัลลอฮฺกับกตาชนี่กุรอานไม่ถูกประทานมาพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานบนชั้นฟ้าไม่ใช่ประทานลงมาเป็นคราวเป็นคราวเป็นคราวทยอยลงมาตามแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาแก้ปัญหา เหมือนกันต้องการจะบอกว่าเวลาจะให้ความรู้กับนักเรียนกับเด็กเนี่ยค่อยๆให้ทีละเรื่องละเรื่องมาใช่ให้ทีพันเรื่องเอาไปเด็กงงคนก็เหมือนกันเพราะคนกับเด็กก็เหมือนกันนบีก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นกุรอ่านประทานลงมาเป็นนะเป็นคราวๆเป็นวาระวาระมีเรื่องก็มีประทานอันกุรอ่านลงมาไม่ใช่ประทานครั้งเดียวนะ30ยุษ เอาไปเลยมุฮัมมัดไม่ใช่นะครับกูร์านเป็นไงครับฟีฮิซครูกุมในคำพีกูร์านนั้นมีข้อซิกครุตแปลว่าข้อตักเตือนคําแปลตรงนี้ใครแปลรูกไหมอิหม่ามอิบนะกะซินแปลว่าเมาอิจอตุนเป็นข้อเตือนใจซิกแอดซิกครูกุมหมายถึงเมาเมาอิจอเป็นข้อเตือนใจนอาลเอาอัตวั นี่ผมนั่งอ่านภาษาอุรุดูนะภาษาอุดูเขาสรุปอะไรไว้เยอะนะขาบอกกูอ่านเป็นอย่างงี้กูอ่านเป็นภาษาอาหรับกูอ่านมาจากลาฮิลมาฟูสโดยท่านยิบรีลที่นํเอ า, านอนนนเอามาเนี่ยไม่ใช่ใชตอนนะยิบรีลนำเอามาพราคนกาเฟสแมนนั้นนึกว่าใช่ตอนนาเอามาไม่ใช่ยิบรีลนำเอามาข้อที่3ามกูอ่านเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺ อันที่สีกุรานถูกประทานมาครั้งแรกในเดือนรอมาดอนนี่สรุ ป, ปรไฟังภาษาปจากจากภาษาคุดูนะข้อที่ห้าถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคราวคราวคราวรา ว, ราวไม่ใช่เป็นเล็บอัลกุารานไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อคลางแคลนอัลกุารานไม่มีข้อขัดแย้งกันไม่มี คุณอานจะอธิบายกุณอา่านอาย่านี้อธิบายอาย่านี้อธิบายอ้คุมไปหมดเลยละทำอยู่ล่ละกลมเกลืนกันหมดเลยนะครับอัลกุรอานเป็นยอดแห่งคัมภี์ทั้งหลายคัมภีร์ที่มาจากชันฟานน่ยหลายเล่มแต่กุณอ่านนี้เป็นเล่มที่ยอดที่สุดดีที่สุดกุณอ่านเป็นมาลอิยอนนี่แหะเป็นข้อเตือนใจเป็นวิเกตเป็นแร็คเป็นข้อตักเตือนเป็นข้อเตือนใจข้อหข้อ9 ข้ 10, อสิกุรอานเป็นหลักฐานอันชัดแจง้งข้อ11บเอ็กุรอานชี้ทางให้โดยละเอียดเอาจะหาอะไรจาจากจากจากโลกจากจากุรอานบอกหมดเลยเวิธีการขนมปางบอกไหมวิธีการทําขนมปังบอกเล่าบอกทงคนมจีนบอกไหมบอกอย่างนป็นต้นข้อที่12เป็นสายเชือกที่เหนียว คำว่าเชื่อมันก็ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจับเชือกอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างจับปลายเชือกอัลลอฮ์จับต้นเชือกเชือกเส้นเดียวกันเราแค่ ก, ก็จับคุณอ่านมายถึงจับอัลลอฮ์เชือกเส้นเดียวกันที่อัลลอฮ์ถือดีไหมอัลลอฮ์อัควาโอกาสตกนรกยากหรือง่ายง่ายหือตกยากหรือามอยูล่แลลาแจะยึดให้มันจริงนะยึดเลียนๆไม่ได้ต่อมาก็ข้อที่สิสาวิท กูรอานเป็นวิทยะปัญญาเป็นให้ขึ้นมาข้อที่ส4บสูร์อานเป็นอัลฮักเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องโกหกไม่มีส5บห้าูร์อาเป็นเป็นอะไรนะเป็นยาบําบัดกิเลสเป็นชีฟาข้อที่16กูร์อานเป็นทางนำที่เที่ยงตรงสิรอตันมุสตีมข้อที่18กูร์อานเป็นข้อตักเตือนนะครับข้อที่19กูร์อานสามารถ จำแนกความจริงและความเท็จผุ้ ก, กนฟัดเราก็บปในหักวันบาปินข้อที่ยี่สิบคุรานเนี่ยเข้าใจง่ายจะต้องอาศัยอุล מנ ะจ๊ะเข้าใจง่ายไม่สับสนไม่วุ่นวายไม่ปวดหัวนะครับคนที่ปวดหัวอ่านอ่านกุรานหายอะ่ะหายเลยแล้วคนทะเลาะกับเมียอ่านกุรานหายเมียทำงานทะเลาะกับพื่อา่านกุรานหายนะครับ ข้อที่21เป็นโคจนาตเป็นกาลามุลล์ข้อที่22เป็นแสงสว่างเป็นนูดข้อที่23เป็นฮูดาเป็นทางนำข้อที่24สเป็นวหฮีทั้งหมดมิชช่นาีคิดเองเป็นวหฮีที่มาจากอโลข้อที่25ถ้าให้มีคนประพัน์เหมือนอลัลกุรอานอ้าใครแต่งกรุรอานบึงสักอายาหนึ่งได้ไหม นิทามาหนึ่งพสรปีแล้วยังไม่มีใครทำได้สักคนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งเอาคุณอ่านมาแต่งอยาย่หนาคุณลืมไปแล้วเขียนเขียนเขียนี ย, น ย, นยนอ่านอ่านดูไม่เข้าท่าขยำโยนอ่า น, า น, า น, านเขียนเขียนขยำโยนพอเงยห น, น้ามากระดาษนะ่ะท่วมหัวเฮ้ย อ, อัลลอฮ ไม่รู้ว่ากี่กี่แสนแผนนะะ่นหน้าจำจจจจจะมาทับตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเขียนแล้วก็คว้างเขียนแล้วก็คว้างเขียนแล้วก็คว้างผลสุดท้ายอัชชาดอัลลาะอิลลัฮ์อิลลัลลอฮ์ว่าอัชชาดอันมุฮัมมัดอัลรอสูลุละรับอิสลามจิลคนุลคนุคนลคนเห็นอย่างครับจะพวกเราจะมีของดีอยู่แล้ววันนี้เนี่ยครับ วางไว้ข้างหลังอรห์รู้ไหมใครเอากุญอ่านวางไว้ข้างหลังกุณอ่านจะดันท่านตกนรกถ้าเอากุญอ่านมาวางไว้ข้างหน้านี่นะกุณอ่านจะพาท่านเข้าอะไรสวนสวรรค์ก็อรรรห์เอาวางข้างหน้าดีหรือวางข้างหลังดีวางข้างหน้าไม่ใช่วางอย่างเดียวต้องอ่านไหมอ่านต้องเปิดไมต้องเปิดเอาต่อมาข้อที่สเส ถูกรวบรวมตามพระบัญชาของอัลลอฮ์นะครับข้อ27แก้ปัญหาได้ทุกปัญหาข้อที่29ไม่มีแนวคิดชั่วช้าในกัมภี์กุรอานแนวคิดชั่วชวไม่มีในอัลกุรอานอัลลอฮ์อัลกุรข้อที่29ไม่มีคําพูดของไซตตอนแม้แต่คําเดียวนะของมาละ ก, กีกาหมดเลยของอัลลอฮ์ทั้งหมด ข้อ30อธิบายโดยอัลลอฮอัลลอฮอักบัตข้อที่ 31, ส1มสบมบูรณ์และครบครันอัลยลาะมาอักมันตุลละกุมดีนะกุม่ะอัตมัมตัวอะไรกุมครบบริบูรณ์เลยนะข้อที่32ปะสสะาจากความเท็จใดๆข้อที่33ฟื้นคนจิตตายด้านให้เป็นผู้มีชีวิตชีวาได้คนที่ใจาตายด้านเนี่ยนะ ตายได้มาถึงไม่รู้จักอัลลอ์ม่รู้จักราซูลม่รู้จักอีมานนะกุรอ่านอ่านไปอ่านไปอัลลอฮ์มีอยู่คนนึงผมพบเมื่อสักสองปีที่แล้วเขาบอกว่าผมอ่านกุร อ, อ่านแค่สมใบอ่านกุรอ่านนะแปลภาษาไทยแค่สามใบผมรับอิสลามเลยครับอัลลอฮ์พระอัครมทำไมอ่ะเปลี่ยนแปลงง่ายอ่ะแค่สาใบเอง ผมอ่านแค่สใบรับอิซจำเลยห้องดุริเลเดี๋ยวนี้เข้มห้อมดุลิเลอยู่ในแถวเนี่ยแต่ฝั่งทน น, นะฮะคนที่ไม่อ่านกูนอ่านรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมีกุญแจลั่นไว้ในหัวใจของเขาโอ้ท่านคนที่ไม่แตะกุนอ่านไม่อ่านกุนอ่านมีอะไรลั่นอยู่นะกุญแจกุญแ จ, จ, จ, จอะไรกุญแจอะไรนะกุญแจไขประตูเนี่ย อยากอยากอยากให้ล่าดูหระอยากให้ออกก็ต้องควักเอาออกควักซะอัเ อ, อุแจโยนทิ้งไปจ้ะนะยี่สามสบห้าคุณอ่านนำไปสู่แสงสวา่างอัลลอฮ์เจอนนดข้างหน้ า, อ, าอัลลอ์ยสบสามสบหให้ตั้งใจฟังคุณอานอย่างสงบและยัาหลับนะข้อสสบถ้าคุณอานเนี่ยถูกประทานลงมาให้กับภูเขาภูเขาจะแตก ลาลายเลยอัลลอฮฺอักบรข้อ3าให้อ่านชัดถ้อยชัดคำเป็นจังหวะแบบตัดตีนบุรตัลงใช่ไหมให้อ่านกุรอานแบบนั้นแบบกอรีที่ฮัฟิสที่อ่านกุรอานเป็นอิมามอัชชาร์เนี่ยชื่ออาจารย์อิมรอนเนี่ยนะอัลลอฮอ่านดีมากนะครับ39ก่อนจะอ่านกุรอานให้อ่านว่าไงอาอูซูบิลลาฮิมินัสไซาะนิรรจิอันทายอย่างนี้ กมุยยเนี่ยนะมันอยากมันไม่ต้องการให้เราเป็นมุสลิมไม่อยากอยากเป็นกาเฟต์กาเฟต์กาเฟต์กาเฟต์กาเฟตในเมื่อมันทำให้เราออใจอิสลามไม่ได้มันก็ยุ่อีกอย่าอ่านคุรอานทีนี้มันยุ่ให้เราอ่านคุรอานไม่ได้อีกเราก็ต้องอ่านอูซูบิลฮิเมนะชายต้อนิรัดีโอ้ใชยตอนมันเคืองหนะ้าดูเลย ไอ้คนนี้ไม่ไหวเว้ยเอาชนะมันไม่ได้อะมันยุ่ต่อไปเองเองแค่อ่านอย่างเดียวนะอันฟังตะยุวิทอย่างเดียวพอนะแบบอาจารย์อะไรสมหวังมุสตอฟาดีใช่ไหยอ่านแค่นี้แล้วพออย่ารู้ความหมายนะแล้ว น, นี่เรามารู้ความหมายอีกอัลลอฮฺอัลบาชัยตอมันก็เริ่มแพ้ทีละข้อแล้วข้อแล้วข้อแต่ยังมีอีกเยอะอีกล้านหลายล้านคนนะ่ะม่นไปแล้วเอาคนกลุ่มนู้นดีกว่า นะอา้าวต่อมาครับการจะจบแล้วข้อ40อา่านกุรานแต่ละครั้งเนี่ยให้ใขคร่ครวนให้พินิดพิจารณาอาลัลลอฮ์ดีไหมดีข้อที่41ผู้ที่ปฏิบัติตามอาัลกุรานจะได้รับความสำเร็จข้อที่42ยังมีอีกนะเอาแค่42พอให้อา่านกุรานแบบช้าๆละอา่านตอนเช้าอา้าวกุรานตรงไหนครับ อินนักุรอานัลฟาดริกานามาชูดให้อ่านคุรอานตอนเช้าเอย่างน้อยมีมาเลย์กะสองอะไรสองกลุ่มที่มาเข้าเวนกลุ่มที่อยู่กลางคืนจะออกตอนเช้าและกลุ่มเช้าจะเข้าเวนตอนเช้าเนี่ยมาพบกันขณะที่แล้วนั่งอ่านอ่านคุรอานตอนหลังนมาสูโบดีไหมเด่างน้อยมาเกากี่กลุ่มนะสองกลุ่มเวนกลางคืนกับเวนเช้า มาเปลี่ยนเวรกันแล้วก็เราได้ยินอ่านคูณอ่านขึ้นไปเข้าฝ้ากันลอล์ถามว่าตอนที่ท่านมาเนี่ยบาวของฉันทำอะไรอัลลอฮ์รายงานอา um, ัลล์หุ้มอยู่ซอนลุนขายพลังนมาอยู่และอ่านคูณอ่านด้วยอ่านท่ำจนแล้วชช่นใจไหมชื่อเราอยู่ข้างบนเอาบาวท่ำจนแล้วไปนองจะนั้นหลังนมาซูบ์ห้ามมาไร้ห้ามนอนนะครับ พอแล้วครับแค่อายาที่ิบพอสุานะ้ลอฮุมาบมกาชลืิลอิลอันตะอัสตัฟิรกาวะตูบิไลฮุซลมุฮลาเกุมวรหะมะตุลอฮฺวะบรากตุ